สู่สักกราดใหม่แล้วเราในที่นี้ก็ก็หมายถึงเฉพาะพวกเราถบนี้เนั้นแหละเพราะว่าถ้าเป็นประเทศอื่นก็ยังไม่เข้าสัตราดใหม่ก็ยังคอยเขาดาวเพือเตรียมละทิ้งสั ก, กราชเก่าต้อรับปีใหม่ ปีใหม่มันเป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่สมมุตินั้นมันก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้สำหรับคนทั่วไปก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เพราะว่า ถ้าไม่มีจุดตั้งต้นก็ไม่รู้ว่าจะนับหนึ่งกันใหม่ที่ตรงไหนถ้าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการเวียนซ้ำกับมาใหม่การมากำหนดอย่างวันขึ้นปีใหม่นี่มันก็ เป็นสมมุติหมายเป็นมุติหมายที่จะเพื่อให้ผู้คนได้ได้มีที่กำหนดสถานการณ์เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าชีวิตเก่าหรือที่ผ่านไปอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ถึงประสงค์ความมีเช่นความทุกข์ ก็อยาจะละทิ้งสิ่งเก่าๆเสียการที่เริ่มต้น1ม ก, กราคมสำหรับหลายคนก็เป็นโอกาสที่ได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนคนส่วนใหญ่ก็มีความหมายเพียงแค่การได้พบได้เห็นอะไรใหม่ๆเท่านั้นเอง หรือฉพาะในยุคปัจจุบันที่ให้คุณค่ากับความใหม่มากกว่าความเก่าอะไรที่ใหม่ก็ชื่นชมยินดีทั้งนั้นแล้วก็มีความปรารถนาเรียกร้องใฝ่หาของใหม่อยู่เสมออะไรที่เก่าแล้วก็ถือว่าไม่มีเสน่ห์เท่าของใหม่ ยุคบริปโภคนิยมเขาก็ต้องเรียกร้องกระตุ้นให้มีสิ่งใหม่เสมอแป้ ว, ว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่มันก็ยังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันเก่าเสร็จแล้วอันนี้ยามความใหม่ความเก่าของคนในยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนไปผ่านไปแค่วันเดียวก็ถือว่าเก่าแล้วอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ ของเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นเก่าไปซะแล้วในที่จริงไม่ใช่แค่เมื่อวานนี้อาจจะชั่วโมงที่แล้วหรือว่าในกี่วินาทีที่แล้วก็ถือว่าเก่าไปซะแล้วไม่ทันสมัยในปีหม่ก็มีความมีเสน่ห์ตรงที่ว่าทําให้เกิดสีสันหรือเกิดความ กรชุ่มกรชวยขึ้นมาความตื่นตัวขึ้นมาสํำหรับคนซึ่งนิยมหรือ ว, ว่าบูชาของใหม่ซึ่งก็มาจากโคกคูประอบการมีมากแล้วก็เร็วใหม่มากแล้วก็เร็วอันนี้เป็นค่านิยมที่คนทั่วไปเขาสนใจนีความหมายของคนทั่วไป ก็อาจจะมีตรงนี้หรือว่ายิ่งน น, นคือเป็นโอกาสที่ได้เฉลิมฉลองสนุกสนานได้เสพแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราให้ความหมายแก่มันในทางที่เป็นกุศลมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างที่ได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าถ้าเรา สำหบางคนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งต้นใหมให่สิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้แล้วไปแล้วก็อย่าให้เราแล้วไปแล้วจริงๆนะเพราะว่าคนเรามากักจะทุกเพราะเรื่องอดีตตัดเรื่องอนาคตเราไม่สามารถที่จปล่อยให้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วนี่ มันเป็นอดีตไปได้จริงๆเพราะเราอดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงมันไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคความล้มเหลวหร่อจะเป็นการกระทบกระทั่งกับผู้คนที่ทำให้เกิดความแค้นเกิดความเพียบบาทหรือว่าการสูญเสียการพัดพรา จากของรักจากคนรักสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองว่าเออมันเรื่องมันแล้วไปเรื่องมันแล้วไปแล้วอย่าไปอย่าไปแบบมันเอาไว้มันก็เป็นเรื่องที่หน้ามโมทนาแลการที่เราใช้วัน ปีใหม่นะเป็นบทบายที่จะเริ่มต้นกันใหม่โดยที่ไม่เอาเรื่องราวในอดีตเข้ามาเป็นเครื่องกังวลใจก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคนก็ไม่ผู้คนก็ไม่ค่อยได้คิดถึงตรงนี้ท่าหลาหรือพายอนทำรรอย่างที่ว่ามาเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแต่ เปลี่ยนไปแต่สกสาราหรือว่าเปลี่ยนแค่มีอายุมากขึ้นแต่ว่าเราไม่มีการเรียนรู้หรือทบทวนเพื่อให้เกิดความฉลาดเพิ่มขึ้นในชีวิตก็ยังเก็บเอาเรื่องเก่าๆเข้ามาเข้ามาบั่นทอนตัดรอนอชีวิตหรือว่าความสุข เอาเรื่องเก่าๆเรื่องที่ผ่านไปแล้วขข้ามาตอกย้ำซ้ำเติมตัวให้เกิดความเจ็บช้ำ น, น้ำใจหรือเกิดความข้างแค้นผู้ข้างนะหรือว่าเกิดความกังวลอันนี้เป็นเป็นเป็นปัญหาของผู้คนมากบางคน ลูกตายไปแล้วก็สี่ห้าปีก็ยังอดไม่ได้ที่จะนะไม่ได้อดไม่ได้ที่จะคิดถึงลูกเหมือนกับว่าลูกยังอยู่ห้องหรือที่ลูกยังอยู่ก็ยังยังรักษาไว้ ก่อนนอนก็ไปที่เตียงของลูกเหมือนกับว่าจ ะ, ะลาตีสวัสด์กับลูกแต่ว่าทำด้วยความรู้สึกเศร้ารู้สึกอาลัยยังยึดยั ง, ย, ง, ย, ย, ง ย, ยังปล่อยไม่ได้ยังยึดเอาไว้อยู่ยังปล่อยไม่ได้คือไม่ยังปล่อยเขาไปไปผุดไปเกิดสักทีเพราะยังเก็บไว้ในหวัวใจ อันนี้ก็คือการที่เราการที่เขาไม่รู้จักที่จ ะ, ะปล่อยให้อดีตมันเป็นเรื่องของอดีตไปนีถ้าหากว่าเรานะพยายามเรียนระู้ถือว่าอ้อาวจักัดเกาผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ให้เรื่องเราเก่าๆมันก็ เลยตามเลยไปก็แล้วกันเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ว่าเราสามารถหาประโยชน์จากมันได้เมื่อเราเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกกรบมันไปทำไมแต่ว่าเราฉลาดเราจะฉลาดมากขึ้นถ้าเราเรียนรู้จากมัน ความล้มเหลวก็เหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้คนเราเรียนรู้จากความทุกข์คนเราเรียนรู้รียรู้จากความล้มเหลวได้มากกว่าเรียนรู้จากความสุขหรือว่าจากความสําเร็จ <S <S รอันนี้ก็เป็นสกสาราดการขึ้นปีใหม่ก็เป็นประโยชน์ตรงนี้นะสําหรับคนที่ยังต้องอยังให้ความสําคัญกับเรื่องของสมมุติ ก็ใช้สมมุติให้มันเป็นประโยชน์ขณเดียวกันก็มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกมั่นใจในตัวเองผู้คนเดี๋ยวนี้นะ หรือพอบ้านเราก็มองไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นคงรู้สึกว่าข้างหน้านี้มันเต็มไปด้วยความตเต็มไปด้วยปัญหาตเต็มไปด้วยอุปสรรคมนมองนะปีใหม่ก็อาจจะทําให้เกิดกําลังใจขึ้นมานิดหน่อยเหมือนกับว่าจุดไฟวูบนึ่งจนแล้วก็หายไปเพราะว่ามันก็เป็นแค่ความสนุกแต่ว่าไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการก้าวเดินไปข้างหน้า เพราะว่ามองไปข้างหน้าแล้วก็เห็นแต่อุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องน้ํามันแพงเรื่องการเรื่องความถดถอยของหลายประเทศอย่างเช่นอเมริกาซึ่งมันอาจะตกที่นั่งอยู่กับเมืองไทยเมื่อ40เมื่อ10ปีที่แล้วทักข่าดเปไปถึงขนาดในกรมีไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งแบ่งขั้วในบ้านเมือง ในสิ่งเหล่านั้นบางอย่างก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทบกับเราแต่เป็นเพียงแค่ความสนใจส่วนตัวเราก็เลยไปปริวิทตกกับมันเหมือนกับไปทุกกับกับทีมทฟุตบอลที่ตัวเองเชียร์อยู่ว่ามันจะได้แชมป์ไหมจะตกรอบหรือเปล่าเขาจะได้แชมป์หรือเขาจะตกรอบไงก็ไม่ได้มีผลต่อชีวิตของเราเป็นเพียงแต่ว่าเราไปผูกพันเมื่อเราก็เลยไปปริวิทตกเล้ก่อความเป็นไป ของทิ้งทุกวันนั้นความทุกข์ของผู้คนส่วนหนึ่งก็เกิดจากเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละเกิดจากเรื่องนี้เป็นส่วนมากก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทบกับตัวเองสักหน่อยแต่ว่าก็ก็ไปยึดติดกับมันไปมีอุปท า, านผูกติดผูกพันกับมันเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอะไรที่ไม่สมหวังก็ทําให้เกิดความทุกข์ได้ เป็นเรื่องของใจล้วนๆเป็นเรื่องของความยึดติดนะล้วนๆก็มีบางส่วนที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อเราโดยตรงเช่นเรื่องเศรษฐกิจนะหรือว่าเรื่องนะเรื่องภูมิอากาศเช่นร้อนนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ จริงแล้วก็ร้ายแรงกว่าที่มีมนหนานุว่าจะร้ายแรงกว่าที่เคยพยากรณ์กันเอาไว้แต่ว่าในสิ่งเหล่านี้นี่มันจะทําให้เราทุกข์แค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราด้วยนะถ้าใจเราวางไว้ไม่ถูกวางไว้ไม่เป็นสิ่งที่มากระทบก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าเรื่องที่กระทบน่นจะเป็นเรื่องเล็ก พอวางใจไม่เป็นประกาศเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะเราคิดปูนฝันฟุ้งปุนแต่งหรือว่าต้องวนไปล่วงหน้าถ้าคนก็เจอสภาพอย่างนี้แล้วนะก็หวังก็ตั้งหน้าตั้งตาอธิษฐานขอให้มันไม่เป็นอย่างนั้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะว่าโลกจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันนะ มีความสุขความเจริญผ่านพ้นวิกฤตสิ่งต่างๆไปด้วยดีอันนี้ผู้คนจนไม่น้อยก็ก็ก็คิดเท่านี้นะก็คืออธิษฐานวอวยพรนะก่อให้เตืเอนแคล้วคลาดปลอดภัยแม้ว่าผู้คนมันจะวุ่นวายแม้โลกมันจะ เตมไปด้ปัญหาแลตามแต่พอฉันเข้าขาปลดภัยก็คิด ก, กันได้เท่านั้นส่วนว่าจะทำอะไรให้โลกมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเผื่อแพ่ทิศฐานไปทิ้งโลกให้มีความสงบสุขอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยคือคิดถึงแต่ตัวเองแต่ถึงแม้ว่าจะเผื่อแพ่ไปความปรารถนาดีไปให้โลกยังแล้วก็ตาม อันนี้มันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเรามาทําใจของเราให้ให้พร้อมนะที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ให้พร้อมที่จะเผชิญนี่ไม่ใช่พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ไม่ชอบไม่ไม่พึงพอใจอย่างเดียวแต่ต้องพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่พึงพอใจสิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่โลกโลกราถนาด้วย เช่ความสําเร็จความความสาเร็จหรือว่าความมีสุขภาพดีหรือว่าการประสบกับสิ่งเป็นที่รักนะสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมกับมันด้วยส่วนใหญ่ก็คิดแต่ส่วนใหญ่ก็ตาเตรียมพร้อมก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือไอ้สิ่งที่มันแย่ๆนะซึ่งก็ดีนะการเตรียมพร้อมเพราะว่าความไม่ประมาทือเป็นเรื่องดี แต่ว่าถ้าจะเตรียมพร้อมให้ได้ถูกต้องให้ได้ครบถ้วนก็ต้องเตรียมพร้อมที่สําหรับไอ้สิ่งที่มันดีๆที่มันปรารถนาด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งที่พึงปรารถนาแล้วบางทีพอไม่เตรียมพร้อมมันเข้ามามันก็ทําให้ทําให้เพี้ยนได้เหมือนกันเช่นคนที่ได้รับชื่อเสียงได้รับความสำเร็จมากก็กลายเป็นเสียคนนะกลายเป็นเสียคนไป หรือว่าเกิดความหลงตัวลืมตอนขึ้นมามีชื่อเสียงไปที่ไหนเข้าไม่ทักก็ก็นึกในใจว่าไม่รู้เลยว่ากูเป็นใครนะไม่รู้เลยว่ากูเป็นลูกใครนะอันนี้มันเรียก ว, ว่าไม่รู้จักเตรียมพร้อมหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียก ว, ว่าโลกธรรมายบวกโลกธรรมายบว ก, ก็ลาบยศสารเสิอแล้วก็สุข นะแม้กระทั่งความสุขนะเราก็ต้องพร้อมที่จะรับเื่อกับมันนะคือเราเลือกถึงตระหนักถึงความเป็นอนิจจังไว้อยู่เสมอว่าวันนี้สุขพรุ่งนี้ก็อาจจะทุกข์และที่จริงถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นว่าในในสุขนั้นก็มีทุกข์แฝงอยู่นะไม่ต้องรอให้มันแปลเปลี่ยนหรอก สุขเดิมๆนี่แหละอยู่กับเราหรือเราอยู่กับมันไปนานๆเราก็กลายเป็นเบื่อมีบ้านหลังใหญ่กินอาหารที่อร่อยแต่กินซ้ำๆไปมันก็กลายเป็นเบื่ออยู่บ้านหลังใหญ่ในภาษารัทธิมีเพชรนินจินดาสวยงามแม้ว่าเพชรนั้นยังไม่เก่ายังไม่โซงบ้านก็ไม่เก่าไม่โซงแต่ว่าเบื่อซะและ้วเบื่อ ไม่ต้องพูดถึงว่าเพจ น, นเกิดเสื่อมไปเสียไปหายไปหรือว่าบ้านเกิดเก่าเกิดเสื่อมไปอันนั้นยิ่งทุกเข้าไปยหญ่แต่ตอนที่มันยังไม่ทุกตอนที่มันยังไม่เสื่อมแต่เนื่องจากมันอยู่กับเรานานๆเราก็เลยกลายเป็นเบื่อไม่เหมือนกับตอนที่มีใหม่ๆมีแล้วก็โอ้ยปราบปลืม้มอันนี้รวมถึงของต่างๆด้วยเช่นรถยนตโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้าหนังสือหนังหาตอนที่มันมาอยู่กับเราใหม่ๆก็ดีใจแต่พออยู่กับเราไปนานๆแม้มันจะไม่เสื่อมจริงๆมันก็เสื่อมเลยทุกขณะแต่ว่ามันไม่แสดงตัวให้เราเห็นชัดไอ้สุขที่เคยมีก็กลายเป็นก็กลายเป็นกลายเป็นเบื่อขึ้นมาแล้วอันนี้แล้วว่าทุกมันแทกมันแสงตัวอยู่ในสุข ในตอนที่เราสุขเพราะว่าทุกข์มันยังไม่แสดงตัวออกมาแต่มันอยู่ตรงนั้นแล้วแหลนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใช่ว่ามันจะมันจะปรากฏเมื่อมันเสื่อมแต่ที่จริงมันแสงตัวในสุขที่เราเสรอยู่แล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกข์ก็ค่อยๆแสดงตัวเห็นชัดจากความสุขความปรับเพื่อก็กาาาลกออกายเป็นความเฉยๆความเบื่อแล้วก็ตอบกลักลายเป็นความ ความความเสงขึ้นมานะนี่แล้วว่าทุกข์มันแฝงอยู่ในสุขและยิ่งมันเสื่อมไปนะก็ยิ่งก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ไอนะ้นี้เราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านีนะ้บางอย่างมันก็เกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่ไม่ได้เฉลียใจอย่างเช่นสุขภาพเนี่ยการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยคนไม่ได้นึกว่าออนี่คือสิ่งที่ สิ่งที่ธรรมชาติให้มา เ, เราไปนึกว่ามันจะอยู่ตลอดไปตลอดเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับปิดตัวเรามาตั้งแต่เกิดาคนหนุ่มคนสาวก็ไม่นึกเลยในถึงตรงนี้ไม่เหมือนทรัพย์สมบัติไม่เหมือนชื่อเสียงก็อาจจะเป็นสิ่งที่เออเห็นได้ชัดว่ามีใครเขาให้มา มีใครก็ให้มาอาจจะได้มาแม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดจากน้าพัดน้ําแรงแต่ว่าก็ต้องมีคนหยิบยื่นมาให้เช่นเหมือนทองแต่ว่าสุขภาพยังไม่เห็นนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซื้อขายกันหรือแลกเปลี่ยนกันอย่างเหนชัดๆก็ไปนึกว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดก็เลยไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับมือรับมือเมื่อถึงข่าวที่ สุขภาพมันก็จะแปรเปลี่ยนไปเมื่อมีสุขภาพดีก็เลยเพลินไปกับเพลินไปกับการมีสุขภาพดีหรือ ว, ว่าใช้ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะนึกว่ามันมีร้นเหลือที่ว่ามันจะอยู่กับเราไป ก, ตต ก, กไป็ตั้งแต่เกิดก็แทบจะไม่เคยล้มป่วยเลยตั้งแต่เกิดก็สายตามก็ดีมาตลอดตั้งแต่เกิดหู มันก็ดีมาตลอดวิ่งไปไหนมาไหนได้มาก็เลยคิดว่ามันก็คงจะดีไปอย่างนั้นไปตลอดเหมือนกันแต่ว่าพอเริ่มแก่ตัวเขาก็จะเริ่มได้คิดว่าหรือเริ่มสังเกตเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตอนตอนยังหนุ่มนังแน่นในตาที่เคยอ่านอะไรได้ตัวเล็กๆ ก, ก็อ่านไม่ได้เสร็จแล้วหูที่เคยได้ยินก็ชัาจ้ะ พี่เห็นไปซะแล้วเมื่อทําใจอย่างนี้ไม่ได้ถ้าทําใจไม่ได้ก็จะทุกข์เห็นคือหนังเหี่ยวย่นเริ่มตกกระก็ทุกข์เพราะเคยสวยเคยงามอันนี้เราไม่ได้เตรียมเตรียมพร้อมมาก่อนสําสหรับสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าพึงพอใจในสิ่งที่มันไม่ได้พึงพอใจก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเตรียมโดยตระหนักว่า ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามันก็ไม่ทำให้เราทุกข์เท่ากับเท่ากับเท่ากับใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องกับมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูก เราก็ทุกไปกับความความแก่ไปกับความเสือ่อมไปกับความไปคาตำหนิทุกไปกับดินฟ้าอากาศทุกไปกับอาหารทุกไปกับอะไรต่างๆ้อยแแต่ถ้าว่าเราสามารถที่จะทาใจเอาไว้ได้เป็นได้ถูกมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ยางน้อยถ้าเรามองมันในแง่ดีเออว่ามันเป็นประโยชน์ มันก็ทําให้เราทุกน้อยลงหรือเราเริ่มยอมรับมันเริ่มตัวเอากการยอมรับมันให้ปฏิเสธมันความทุกข์มันเกิดขึ้นก็เพราะเราพยายามที่จะผักสายพยายามที่ปฏิเสธไม่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นนอกตัวเราแล้วเกิดขึ้นในใจเช่นความความเครียดความเบื่อความเส่ง ไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีมันเกิดขึ้นจะยังไงเราก็ไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นแล้วเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นใ่นเราเรียนรู้ที่จะเห็นมันตามที่เป็นจริงเราไม่พยายามที่จะไปผักสายมันเพราะเห็นว่ามันเป็นอกุศธลธรรมเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจทำให้จิตใจหนักอึ้งเศร้าหมองอันนี้มันเป็น มันเป็นถ้าเราคิดแบบนี้แล้วก็เผลอไปตามความคิดเราก็จะเกิดอาการเชื่อ เ, เลือกที่เราความที่ชั่งก็จะไปเปลี่ยนพักสายมันแล้วักสายมันเราก็แต่เนื่องจากมันไม่ได้เราไม่ได้ทำตามเหตุตามปัจจัยมันก็ต้องอยู่เพราะเหตุปัจจัยยังมีอยู่ก็อยู่เมื่ออยู่แล้วเราจะทำเกี่ยวข้องกับมันยังไงก็ต้อง ทำใจเรื่องแต่การยอมรับมันยอมรับว่ามันจะมันก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแม้ว่าเราจะพยายามแก้ไขมันแต่มันก็คงจะไม่หายไปโดยโดยทันทีในครับที่มันอยู่กับเราเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ไม่เห็นเป็นศัตรูอันนี้เราจะเรียกว่ามองการเกี่ยวข้องด้วยใจที่เป็นกลางนั่นคือไม่ไม่ไม่คิดจะผักไสไม่รังเกียจมัน เพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเราจะเลือกอันนี้ว่าเป็นเราจะเรียกมว่ากุศลธรรมอันนี้เขเป็นสมมุติเราจะเรียกว่ามันเป็นนิวรณ์อันนี้ก็สมมุติแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วมันก็มันก็เป็นธรรมะที่สามารถจะเป็นประโยชน์กับเราได้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็น สิ่งทั้งพวงเนี่ยมันจะมันจะเป็นประโยชน์แค่ไหนหรือที่จริงมันจะมีคุณสมบัติอะไรเพราะเราเกี่ยวขอ้องกับมันให้เป็นเกลือมันเค็มก็แต่เมื่อเราเลีมไปถูกมันก็ตอนที่มีการตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านบริลุเข้าใจทําใหม่ๆนี่ก็อาจารย์ ก็มาสอบอารมณ์ถามว่าเกลือมันเป็นยังไงเกลือมันเค็มไหมไ้้หัวเกลือมันอยู่ข้างนอกเกลือมันอยู่โน่นมันจะเค็มได้ยังไงมันทําไมันมาถูกป่ากผมจะถึงเค็มคุณสมบัติของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ว่าโดยการเห็นโดยการฟังโดยการสัมผัสโดยการเล่นรถหรือแมงโดยการคิดมันก็เป็นของมันอย่างนั้น มันเข้มกว่าเรามื่เราไปเกี่ยวข้องมันไม่ดีจริงแล้วมันไม่ดีมันแย่ก็เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับมันและการเกี่ยวข้องกับมันก็เกี่ยวข้องได้หลายอย่างเกี่ยวข้องอย่างฉลาดเกี่ยวข้องยังไม่ฉลาดเกี่ยวข้องยังไม่ฉลาดก็ทําความทุกมาให้และเกี่ยวข้องอย่างฉลาดก็กลายเป็นประโยชน์อย่างที่เขาบอกว่าทุกไม่ได้มีไว้กลุ่มทุกมีไว้แก่เกี่ยวข้องกับทุกไม่เป็นกับกลุ่มเกี่ยวข้องกับทุกเป็นมันก็ ทำให้เราฉลาดในการแก้ไขปัญหานะแล้วนี่ถ้าเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็อะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่กลัวนะดังน้อยเราก็เราก็มีสติรู้มันตามที่เป็นจริงยอมรับมันตามที่มันปรากฏแล้วก็รู้มันตามที่เป็นจริงเพราะว่าถึงสุดแล้วจะทุกหรือไม่ทุกอยู่ที่ว่าความรู้สึกว่าเป็นเราเป็น เป็นลอยเป็นชันนั่นแหะที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะไปเป็นผู้ทุกข์ไปเป็นผู้อยากไปเป็นผู้ผิดหวังไปเป็นผู้ล้มเหลวแต่ถ้ามันไม่มีตัวตัวฉันเข้าไปเป็นเจ้าของมันก็มันก็ไม่มีใครทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเป็นเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยลอยๆก็ว่าได้ ทั้งหมดนี้จริงๆจะเกิดขึ้นก็เพราะาเราไปไปเผลอไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราความเจ็บความป่วยความหนาวก็เหมือนกันนะความหนาวนี่ที่จริงมันก็มีแต่กายถ้าเราเราให้เราให้ใหความหนาวเป็นของกายแต่ว่าใจเราไม่หนาวนะมันก็ทําไดนะ้ความป่วยก็เหมือนกันนะความความป่วยความอีกขั้น มันเป็นของกายแต่ไม่เป็นของใจเหมือนกับที่มีคนปว่วยคนหนึ่ง็ขาไลาฟังว่าเขาปว่วยหนักเป็นมะเร็งทุกทรมานเจ็บปวดมากแต่เขาก็ได้มีการในเดชทดลองการปฏิบัติมาบ้างเขาก็ ก, ก็ทําในใจเหมือนก็นว่าไปยืนอยู่ไปไปเป็นอีกคนหนึ่งไปมองตัวเอง แรียกว่าไปมองตัวเองอยู่บนหัวไหล่ไปมองตัวเองอยู่บนหัวไหล่แล้วจากหัวไหล น, นก็มองมาที่มองมาที่ร่างกายตัวเองไอความรู้สึกปวดนก็ทุเราไปในภาวะในในยาม น, นั้นความปวดก็ทุเราเพราะว่ามันกลายเป็นแต่เรื่องความปวดของกายเท่านั้นเองแต่ว่าใจนั้นเหมือนกับว่าแยกออกมาเป็นอีกคนหนึ่ง เขาใช้คําว่ามองอยู่ที่วืนอยูที่หัวไหลมองออกมาแยกออกมาแยกใจผู้นี้คือแยกใจออกมาจากกายนะก็เห็นความปวดนะั้นมันเป็นเรื่องของกายแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยแยกออกมาอันนี้ก็หมายเพราะว่าไม่มีไอ้มันความที่มีสติมันทาให้ใจไม่ไปยึดว่าเป็นฉันที่ปวดเป็นชันที่เจ็บ แยกออกมาอย่างนั้นเนี่ยไอ้ความปวดมันก็เกิดขึ้นกับกายเท่านั้นเองนีน้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุบายเป็นอุบายที่จะที่จะที่ทำให้ให้ความให้ความปวดนั่นเนี่ยมันเข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสติที่จะช่วยช่วย ช่วยผ่อใจให้ให้ไม่เข้าไปไม่ไปไม่ไปจมไม่ไปยึดว่ามันเป็นร้อนเป็นของเรามันก็เหมือนกับไฟนะไฟเนี่ยมันร้อนก็แต่เมื่อเราอยู่ใกล้ยิ่งเราเข้าไปอยู่ในกองไฟเราก็ร้อนร้อนสุดจะบรรยายยถ้าเราอยู่ในกองไฟ แต่ม่ไก็ตามที่เรา่าวออกมาจากกองไฟฮาวออกม า, าอามาฮาออมาไอความร้อนที่มากระทบก็ร้อนน้อยลงไฟก็ยังร้อนอยู่แต่ความรู้สึกร้อนที่เกิดกับเรามันก็บรรเทาไปเยอะเราไม่สามารถในหลายเราไม่สามารถที่จะในยานนั้นอาจจะยังไม่มีความสามารถที่จะเป็นลดความร้อนแรงของไฟได้เชื่อมันก็ยังมีอยู่อุณหภูมิก็งมันก็ยังพอมหมาะ แต่ว่าไฟล์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราอยู่ห่างอยู่ห่างอยู่ห่างอยู่ห่างใน mm hmm. สตินั้นท่างหน้าที่เหมือนกันตรงนี้นะคือว่าทำหน้าที่แยกแยกใจออกมา mm hmm. ไม่เข้าไปไม่ให้ใจเข้าไปผวกพันเข้าไปไปไ ป, ไปจมไปเกาะมันเอาไว mm ้ hmm. การที่จะเรียกว่าสติมันช่วยทำให้เรามอง มองมองตัวเองในมุมใหม่ก็คือมองในมุมที่ไกลไม่ได้เป็นเจ้าเขาเจ้าของการที่มองอะไรเกิไกลก็ทำํำได้เห็นเห็นอะไรได้ชัดเป็นชัดขึ้นนะกะเหมือนกับที่เราอยู่ข้างบนบนภูจเนี่ยเราอยู่ข้างบนหน้าผาแก็มองอะ ไ, ได้ไกลเห็นผู้หลงได้ไกลเห็นผู้หลงได้เกิดจะคอบทูว้ว่าเขารูปร้างหน้าเขารูปล่างเป็นอย่างไร ถ้าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงอยู่ตรงตรีนภูเขาไม่เห็นอะไรเห็นได้บางเสี้ยวบ า, บางแง่แต่พอเราออกไปไกลๆแล้วก็อยู่บนที่สูงก็เห็นอะไรได้กว้างบางทีการการวางใจของเรามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือว่าถ้าเรายกจิตอยู่ในที่สูงนะแล้มีสตทิที่จะพาใจของเรา ให้มองเลได้เห็นตัวเองในมุมที่ไกลออกไปมันก็ทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะเห็นอะไรได้กว้างขวางเช่นถ้าเราอยู่ในมุมที่สูงเราก็เห็นความเป็นไปในชีวิตของเราได้ได้ในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะรวมทั้งเห็นว่าคนแต่ละคนนั้นเนี่ยยังเชื่อวลาเราไกลไกลเนี่ย เรามันเราก็เห็นคนเป็นคนไม่ได้มีการแบ่งแยกเอาคนนี้คนพูดคนนี้คนเครสคนนี้คนอิสลามเอาคนนี้คนไทยคนที่มาลายูพอมองไกลๆเนี่ยคนก็คือคนเหมือนกันการที่แบ่งเป็นชั้นแบ่งเป็นชั้นเป็นวรรณะเป็นศาสนาเห็นความแตกต่างผิวคนนี้ผิวสีขาวคนนี้ผิวสีดำผิวสีเหลืองมันไม่เห็นละเห็นเป็นคนเหมือนกันหมดถ้าเรามองไกลๆหรือมองจากที่สูง บางทีไม่เห็นด้วยแย่ไม่ไม่แย่ไมอาจจะทั้งใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชาย mm hmm. แล้วเราก็จะเห็นว่ามนุษย์เราจริงก็ตัวเล็กนะรวมทั้งเราเองก็ตัวเล็กแต่ถ้า <c oughs> เร <Tree> ามองไม่ไม่มองในมุมนี้บ้านเราก็จะรูสึกว่าเรานี่เป็นคนตัวใหญ่เรานี่ใหญ่สําคัญขับฟ้า <c oughs> ความต้องการของเรานีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความรูสึกของเราเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความทุกข์ของเราเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และความต่ายของกรากคือเรื่องยิ่งใหญ่มากถ้าเราตายโลกทั้งโลกก็เหมือนกับว่าจะหยุดหมุนนะแต่เวลามองมันในมุมที่สูงมุมที่มุมที่สูงนี้เนี่ยเราก็จะสิดว่าโอ้เราก็ตัวเล็กๆนะยิ่งมองจากอาวกาศมองจากดวงจันทร์แล้วเราก็คือฝุ่นทุรียนไม่ได้สําคัญใหญ่โตเลยเล ย, เ, ลยเป็นเพียงแค่ทุรียนละ อ, องในจั ก, กรวาลไอ้ความสําคัญบรรหมายใน ตัวตนในความรู้สึกนึกคิดหรือเอาตัวมาส่วนกลางก็จะลดน้อยถอยลงไปเราจะมองโลกด้วยความรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็ความรู้สึกที่เห็นถึงใครด้วยันก็นความเชื่อมโยงของมนุษย์ทั้งหลายเห็นถึงความคล้ายคลึงไม่ได้เน้นแต่เรื่องความแตกต่างมันจะทําให้เรามองชีวิตมองโลกได้ในมุมที่ ช่วยให้เราเอื้อเฟื้อเกือเก้อกลูลกันมากขึ้นแล้วก็หลงตัวลุ่มตนน้อยลงการมองการมองอะไรจากที่สูงนี่สำคัญที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดเลวออันจิมีชื่อมากเพราะว่าสวนหิน สวนนี้ก็มีชื่อมากเป็นสวนแบบเซนคำว่าสวนนี่มันทำให้หนึ่งต้นไม้แต่ว่าที่นั้นไม่มีต้นไม้สักต้นมีแต่หินแล้วก็กรวดหินก็จัดวางไว้ประมาณสิบห้าก้อนไม่ใช่ประมาณสิบห้าก้อนชัดๆเลยแต่ว่าไม่เคยมีใครที่มองเห็นหินนั้นได้ครบสิบห้าก้อน ส, สักคนเดียวไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนก็เห็นได้แค่สิบสี่ก้อน แต่ละคนก็มองเห็นหินนั้นแตกต่างกันไปเห็นเป็นเสือทะยานเห็นเป็นทะเลทะเลทะเลภูเขาเห็นเป็นทะเลที่ล้อมรอบภูเขาหรือเห็นเป็นจักรวาลก็ได้จะไม่มีใครที่เคยเห็นโคกบสีคกสิบห้ก้อนณมุมเดียวที่จะเห็นคกสิบห้าก้อคือการมองจากมุมที่สูง การมองจากมุมที่สูงให้ทำให้เห็นครบ15นี่ภาษาญี่ปุ่นมันหมายถึงความสมบูรณ์ถ้า14ยังไม่สมบูรณ์สิบหต้งจะสมบูรณ์การที่เราจะมองเห็นโลกได้ในทางในกา ร, การ ท, ที่เราจะมองเห็นโลกได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมองจากที่สูงเราจะมองเห็นชีวิตได้อย่างครบถ้วนก็ต้องมองจากที่สูงเราจะเรียที่สูงว่าโลกุตระก็ได้โลคุตระโลกุตระคือเหนือโลก เหนือโลกเรากุตราหนึ่งการที่ไม่ไปยึดติดปูกพันกับเรื่องโลกธรรมเต่นยึดติดกับโลกธรรมอยู่ลาบยศุกสารเสริญเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกขก็ถ้าก็ยังยังยึดติดโลกโลกิยะมันก็ไม่เห็นอะไรที่จะครบถุวนสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เกิดความหลงแต่ไม่ได้ก็ตามที่เรา จิตขึ้นสูงก็จะเห็นอะไรได้กว้างแล้วก็ทําให้เกิดความปล่อยวางได้ง่ายขึ้นความหลงตัวลุ่มตนก็ลดลงเราก็เห็นสิ่งต่างๆไปว่ามันเป็นไปตามกระแสของธรรมชาติมันเป็นธรรมดาคือมองเห็นเป็นธรรมดาโลกการที่จิตจะยกขึ้นสูงได้มนก็อาศัยสติและปัญญาอยู่แหละสติพาใจให้มันลอยขึ้นเหนืออารมณ์ไม่งติดอยู่กับอารมณ์ ไม่่าอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบมันก็เห็นอะไรอย่างขับแค่มันก็หนีไม่พ้นว่าเออนี่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่สามารถที่เห็นเหนือจากความชอบใจไม่ชอบใจเข้าสู่เห็นจนนั้งเห็นหึงว่าเอออะไรคือความถูกต้องได้แต่เมื่อเราเมื่อมีสติมันก็ช่วยจิตยกขึ้นสูงเหนือคติเหนืออารมณ์เหนือความชอบใจไม่ชอบใจ เป็นเน่งความชอบทาเป็นเนื่งความถูกต้องไม่ใช่เรื่องความถูกใจปัญญาก็เช่นเดียวกันช่วยทำให้เรามองเห็นอะไรได้ในมุมที่กว้างขึ้นและมองจากมุมที่สูงก็ได้ด้วยเพราะเราไม่ติดดีดกับตัวเองถ้าติดยกับตัวเองเมื่อไหร่ติดกับโลกธรรมเมื่อไหร่มันก็ถูกฉุดมาให้เห็นอะไรจากมุมที่แคบแคบหนีไม่พ้นตัวเอง มองอะไรก็ไม่พ้นตัวเองหรือมองอะไรก็ไม่พ้นจากอนานาจของอารมณ์ซึ่งรวมไปถึงเรื่องความความชอบความชังอารมณ์ที่ฟูอารมณ์ที่แบเวลาใจสบายโอ้มันก็เห็นอะไรสวยงามไปหมดเวลาใจไม่สบายฝั่งเพลงเพราะกินอาหารที่อร่อยก็ไม่รู้สึกเพราะไม่รู้สึกอร่อยไปด้วยนี่คือการรับรู้โลกไปเพราะติดอยู่กับอารมณ์ หรืออยู่ในอำ น, นาจของอารมณ์ในการที่เรามีสติปัญญาเนี่ยมันช่วยได้มันช่วยยกจิตขึ้นสูงหรือว่าทำให้เราเห็นมุมในมุมที่ไกลพออยู่ไกลก็เห็นภาพกว้างเราต้องมองโลกในมองโลกมองช่วยในภาพกว้างมองไกลหรือมองสูงด้วยนี่แหละก็ในการที่เรา ปลาลบในวันปีใหม่นะมันก็เอาโอกาสนี้แหละมาใช้ในการที่จะช่วยฝึกฝนจิตนะยช่วยพัฒนามุมมองให้เราได้ได้เห็นอะไรที่ที่กว้างขึ้นไกลขึ้ น, นหรือว่ามีคุณภาพจิตที่ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ด้ว ย, วยการอ้ อ, อนวอน หรือว่าการขอพอรจากใครแต่ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติโดยตนเองถ้าเราเห็นตรงนี้นี่การที่เราจะจ ะ, จะวิงวอน้อนขอพอรจากใครมันกลายเป็นเรื่องสําคัญน้อยลงแต่มันก็มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ในแง่เออมันก็เป็นการสแสดงในความปรารถนาดีต่อกันการที่ เราได้พูดสิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันในลักษณะของความแสดงความปรารถนาดีหรือการที่เราเปิดโอการได้พูดก็ได้แสดงความปรารถนาดีด้วยการกล่าวเป็นพร อ, ออกมามันก็เป็นสิ่งที่ทําทใจให้ชื่นบานได้พอสะั้และยิ่งถ้าเาเชื่ออย่างที่ด็ออรโอมาโ ต, โตนะเขาทดลองน้ําน้ํานี่มัน คุณภาพมันเปลี่ยนไปผลึกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแค่ว่ามีคําพูดหรือมีถ้อยคําเข้ามากระทบถ้าเป็นคําพูดดีผลึกน้ําแข็งมันก็สวยถ้าเป็นคําพูดไม่ดีผลึกน้ําแข็งก็ไม่สวยไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยถ้าเราเชื่อมีอาการที่เราพูดได้ความภายเราะให้แก่กันและกัน ในลักษณะของการให้พรกันหรือว่าการเปิดกายเขาได้กล่าความเป็นพอรออกมาก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่ว่าถึงที่สุดแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับการที่เราเพยงยายามสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาสร้างพรคือสิ่งประเสริฐให้เกิดขึ้นกับเราเองแล้วก็สิ่งที่ประเสริฐที่เกิดขึ้นกับเราเนั้ยมันไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสําเร็จไม่ใช่เป็นเรื่องของชื่อเสียงไม่ใช่เ็นเรื่องของของสุขภาพทรัพย์สมบัติมาเท่ากับเรื่องของคุณภาพจิตภายในมีสติมีปัญญามีความตื่นรู้อย่างนี้ถ้าเทียบถ้าเทียบกับถ้าพูดอย่างภาษาอย่างคนโบราณก็ยังไม่ได้ขึ้นวันใหม่เราก็เตรียมพร้อมที่จะร อ, อการขึ้นวันใหม่ ด้วยใจที่ตื่นผู้คนจนบ่มากกาลังหลับไหลหรือจะสลบสไลด์เพราะว่าได้เฉิมฉลองกันมาอย่างหนักแต่ว่าในขณะที่วันใหม่ยังไม่ทันจะเริ่มและใกล้จะเริ่มโดที่กำลังจะขึ้นเราก็มาเริ่มต้นเราก็มาเตรียมพร้อมด้วยการทำสิ่งที่เป็นกุศลมาสวดมน์กล่าวคําที่เป็นมงคล ที่เป็นธรรมะสารส่วนขคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมรเจ้าพระสงฆเจ้าแล้วก็น้อนติดให้ให้มีธรรมะเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมแล้วก็ประคองใจให้มีความให้มีความตื่นความรู้รู้ท่าทังในในใ น, ในกายที่เคลื่อนเหมือนในใจที่คิดนึกนะก่อนที่วันใหม่กาลังจะคลืบเคลื่อนเข้ามา อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างการสร้างมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองนะเป็นสติมงคลโดยแท้แล้วก็ก็ขอให้เราได้ประคองรักษาสติความตื่นนะแล้วก็จิตใจที่เป็นมงคลเอาไว้เพื่อรับไม่ใช่แค่เพื่อรับวันใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะแต่ว่าเพื่อและไม่ใช่เพื่อรับปีใหม่ที่ได้มาถึงแล้วเท่านั้นนะแต่ว่า เพื่อที่จะรับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือกับคนที่เราเกี่ยวข้องให้เราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็ด้วยความตื่นด้วยความตื่นรู้จนกระทั่งสามารถที่ยกจิตเหนือเหนือสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบวกหรือลบจะเป็นอิทธาลมอนิธาลมก็ตาม ให้เราผ่าใจยกจิตเหนือสิ่งนั้นจนกระทั่งเรียกว่าได้เข้าถึงสภาวะที่มันเป็นโลกตลุตตะอย่างแท้จริงอ พ, อ พ, อรอพอพอสมควรสำหรับเช้านี้กระพร้อมกันสัณมาสมพบุทเพภาภวะภูตางภาภวันจังทิวาเทวี สวาพาโตพะขาวตาธัมโมธัมมานาสานสุพติพโนพระขาวโตสาวรักสังโฆสร้างธรรมะ